วาแต่ท่านหน่อยก็เลยกลับมาทรงวันออกไปกลับมาทรงโหาเป็นม้าเป็นมา้นมาหูผู้ดีได้บาดเนี่ยเชยอยู่กับวัดกับว่าเท้าก็โอ้หมาตัวนึงดีแล้วไอ้บาดเนี่ยเอาไปทรามานมันมาดีแล้ววะพอมาอยู่อีกน่านนานบาดเนี่ยโอ้ยแห้งหายก็เก่าวาดเนี่อคือเกิดขับคน น, ค น, น เ, ค เ, เอาลงไปยับไปเข่าคคกเราเห็นโทษลงไป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 ตัวนี้เนะี่ะ้าออกกว่านบะักฮิตเลอร์เนยะปากใหญ่ปากกว้างเนะี่มาฮิตเลอร์มาเขาเอื่นพันอย่างอนะ่ะปดที่ชุเดเกิดรถตู้ช่อนเนยรถตูท้ทางนอกวัดนะช่อนเนยะหยียบตายทาตายนอกวัดแลนะมาฮิตเลอร์อันเดกนนี่แหละลูกชิดฮิตเลอร์ก็บมี่นะ่ะกาแฟกับกแบกเนะี่น้่ากดฮิตเลอร์ลุงพ อ, อยังไง มารุ่นนี้พ่อหมดพ่อหมดรุนเหยยกเลิกซะก่อ น, นะว่าพรามันติตามตามกันไอ้พวกที่มาอยู่ก่อนมันถี่ผ้า อ, ออกไปเที่ยวทางนอกมันรักษายากเผลอเผลไปกัดไก่กัดหยังเขาอีกต่างหากหยุดซะก่อนให้มันห ม, นมดยกซะก่อนเอารุ่นอื่นมาเลียงอีกขันเลียงรุ่นนี้ยังยั่งอยู่รุ่นพีเลียงมันยังยั่งอยู่เนี่ยบอได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 ตั้งที่ออเขาลงเลียนเลยหมารุนนี่หมาที่เอาเขาลงเลี้ยนเลยลงเรียนต่อชดอลงพอมัดไปหลายกันนะ้นเเอาหมาเขาลงเลียนนะแต่มันก็ดีอยู่ี่มันบ ก, กเกลีนนะ่ยไปหน่อยมันก็หุ่จักความอยู่แั่นนะี่มันเกลี่ยมัย่อฟั่งไปเอยุดไอ้แบกยุดไอ้บ็อกก็แงว่มันโบยุดเลยแร้วนาะโฟั่งแล้วะนะ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 มี่ยังก็จะได้พึ่งผ้าอาดไซกันต่อไปพ้าอีผ้ า, ผานานะมี่ยังมีแต่ทะเลาะวิวาทกันทั้งเมื่อตอนกบได้เลยการทะเลาะวิวาทกันมัแม่แนวดีกาเป็นภ้าเนี่ก็ตกน้ลกอเวกีมาหมากต่อมากแต่หลวงพ่อได้อ่านศึกษาในพระไตรปิฎกนะพระโกกาเล็กหนะลวงพอองอ่อกับกบหมั่นใจขึ้นกันว่าแต่พระโกกาเล็ก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 ในพระไตรปิฎกเรื่มไรแต่พอมาอารรมา่านทำมัทธตกรานห็นว่พระโกกาลิกดาอัครสาวกดาพระโมกคลาดาพระสารีบุตรดูถูกพระอครสาวกพระโกกาลิกแผ่นดินแยกเพิ่ลเขบอกเพียงเทนีในประไตรปิฎกแผ่นดินแยกแล้วก็ไปตกไปสู่นรก แต่ในะปไตยปีทกเกลืมอื่นหรือข้ออื่นเพื่อนกับบาวาวา่าพระโกกาเล็กระดาภัยภิกษุดาพระมกขลาพระสาลีบุตรและขะแผ่นดินสูกกบกระบอพูดชัดเจนถึงขนาดนั่นมาแบบเพียงแต่ว่าแผ่นดินแยกแผ่นดินแยกจเีเมนแผ่นดินสูบบนโท๊เป็นภาษาเห่ามันบวระอันนี้ก็เลยพงพ อ, งพองยังสงสัยอยังขนควาดูว่าเอมีอยู่บ่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 พระพุทธเจ้าก็เลยพระสาวกก็เลยกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าสมัยไหนพระเจ้าขาที่ประกกาลิกตายพ่อปากพระพุทธเจ้าเพื่อนก็เลยบอกว่าสมัยหนึ่งมีพญาหงหงลูกหงลูกหงกำลังเป็นนมไปหากินในสะนามยุ่นในป่าหิมะพานพอไปกินน้ามแล้วไปเห็นเตา เตาอยู่ในน้ำข่านปมเตียมต้มเตีย ม, ม, เ, ยมเห็นกันเกือบผู้มือนะ่นพอไปกินท่านได้กัไปกินหากินมมเม็ดหญยาหากินปลากินอย่างในห น, นองน้ำเห็นเตาเตาตนนั้นขืนมาอ น, นกหงนมทั้งสองนี่ก็เลยถามว่าเตาเจ้ายุ่นี่เคยไปใส่บ่อเตาบอก่ก็โโอบ่อแล้วก็ อ, อยู่ในสะนี่น่ะก็หากินแถวนี่แล้วอยู่ในสะจะไปใส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 บาร์นี่กับหอดมือกันนกโขงกับหาไหม่ไพ่มากกาอไปขาบไหม่ไพ่มากก็คือว่ามันเน่นแข็งแรงน่ะเอ้บาร์นี่ไงเต้าข้าบพวกข้าวนกโขงก็ทดลองยกขึ้นเบิ้งกันหน่อไปนกบินบินยกขึ้นเบิ้งได่กันหน่อไปบอฮักก่อ่าน่อยไปใหม่บอฮักไปเนาะแต่เนี่ยไปเบิ้งบ้านไปเบิ้งธรรมไปเบิ้งธรรม อ, อพวกเข้าอยู่ทําทําหงมันไปไปดูทําหงไปดู อ, อสะอืนอ่นเดี๋ยวจะพะทาทัศนศึกษาแตไหนเต้าก็เออแตนมาให้เไิดเต้าคาบทั้งกลางไม่กันไปเต้าคาบกลางไม่ก็นกหงก็บคาบทั้งสองส่วนบินบินขึน้นอากาศเต้ากโหดขาก็ะเฮ็ดโจดโจดโจดโจ ด, ด, ด, ดไปมันอป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 เตาหามหงเตาหามหงมาเถอเนี้ยมันก็แม่นหรือมันก่อเตาหาผงมันนอกไปใครข้าว่าเตาอยู่ทั้งกลางมันบล่ะหงมาอยู่ทั้งข้างอาจะว่ามันหาก็แม้นมันออบไปบ้าเตาปนวังพอดยินเด็กหน่อยหัวทางไตมันออกไปเด็กหน่อยมันบวอย่างว่าเถอะเน้ยกูจะว่าข้าหาผงไหนจังไหนหนึองหงหามเข้าไป นั่แมนเลยอันใหนจะว่าเข้าหาผงไหนจังไห น, นมลยบาเดี่ยเตาตัวเดก็เลยอาปากสีวอลนู้นไปีวอลของเด็กน่นอยทั้งไต่นนัะพ่ อ, อ้าปากขึ้นมาแต่เนี้ก็ลดถึงตัวบาดเนี่ยลดไม่ขา้นหามลงไปลดมันก็เรีวลีเรี่ยวลีแล้วมันตกใส่ก่างพลาดเตาก็เลยหลังแตกขนาดตายพอ่อเตารุดถึงเหงหงก็ไปยาำส่วนอยนู่ได้วันนไปเพราะว่าหงนี่เอาเขาม้าแล้ว